พระบัญญัติ8 4ง้อก็ภิกษุใดถูกราคะครอบงำแล้วมีจิตแปรปรวนพูดเกี่ยวมาตุคามด้วยวายจาชั่วห ย, ยาบผาดพิงเมถุนเหมือนชายหนุ่มพูดเกี่ยวหญิงสาวเป็นสังฆาทิเศษเรื่องพระอุทายีจบ